ธรรมย่อมชนะอธรรมพระวังได้เคยได้ยินคำนี้หรือไม่ธรรมะย่อมชนะอธรรมเราได้ยินคำนี้กันมาตั้งแต่เด็กๆครับจ่ากีวา่าบางครั้งมันไม่เห็นเหมือนจะเป็นอย่างนั้นบางทีบางสิ่งบางอย่างคนที่ประพฤติความชั่วทำไม่ดีมีสิ่งที่เป็นอสัตธรรมอยู่ในใจของเขาแต่กลับได้ดีกลับได้ ความสุขความสบายนยุทธาบรรดาศักด์เหมือนกับเขาชนะแต่คนที่ทำดีอดทนทำความดีถูกกันแกล้งอะไรต่างๆวันนี้เราจรึงจะมาทำความเข้าใจกับคำนี้กันว่าธรรมะย่อมชนะอธรรมเนี่ยหมายความว่าอย่างไรเริ่มจากสิ่งที่เป็นธรรมะกับอธรรมะสะก่อนธรรมะอธรรมพระพุทธเจ้าเคยอธิบายเอาไว้โดยเปรียบเทียบ ระหว่างรำที่เป็นอริยมรรคมีองค์8ที่เป็นสัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิเนี่ยวันนี้นะคือสิ่งที่เรียกว่าธรรมส่วนสิ่งที่เรียกว่าธรรมก็คือเจ้ามิจฉามรรคตั้งแต่มิจฉาทิฏฐิจนถึงมิจฉาสมาธิอย่างคนที่ล้วงกระเป๋าคนอื่นอย่างเ ง, นะงี้ยนะท่าังคนที่ล้วงกระเป๋าคนอื่นเนี่ยต้องมีสมาธิมากแน่นอน เขาจะต้องเล็งอย่างดีรอจังหวะคนเผลอแล้วก็ใช้ความเร็วชนิดขั้นเทพลวงฉกปุ๊บเอากระเป๋าออมาที่เขาต้องมีสมาธิมากแต่สมาธินั้นเป็นมิจฉาสมาธิอันเป็นผลมาจากมิจฉาทิฐิที่เขามีว่าจะต้องเลี้ยงชีวิตด้วยการขโมยซึ่งนี้คือลักษณะของอธรรมะแต่ความสามารถมีไหมมีเหมือนกันนะเรื่องของสมาธิเรื่องของสติแต่เป็นมิจฉาสมาธิ นิจาสติอันนี้เกิดขึ้นได้ในบางคนแต่ส่วนสิ่งที่เป็นธรรมะก็คือสัมมาสมาธิสมา ส, สติสมาทิฏฐิพวกนี้นะก็คือคนดีเขาทำกันแต่เป็นผลของการทําสิ่งที่ดีเราเรียกว่าธรรมะทีนี้แล้ก็คือเหมือนกับสีดํากับสีขาวนะั่นเองนะสีดําก็คือธรรมสีขาวก็คือธรรมะเฮ้ยสีดํากับสีขาวเนี่ยท่านฟังว่าอันไหนมันขาวกว่ากัน คำตอบนี้ง่ายมากสีขาวต้องขาวกว่าแน่นอนต่อให้สีขาวแค่เท่ากับหัวแม่โป้งนขนาดพื้นที่สีขาวเท่าหัวแม่โป้งสีขาวนี้ก็ยังขาวกว่าขนาดพื้นที่เท่าทาสีดําไว้เท่าสนามฟุตบอลยังไงสีขาวก็ขาวกว่าสีดําสีเทาก็ยังขาวกว่าสีดํำถ้าเปรียบเทียบกันสีขาวก็ขาวกว่าสีเทาต่อให้มันพื้นที่มันจะใหญ่เล็กไม่เกี่ยว เรื่องความพื้นที่ใหญ่หรือพื้นที่เล็กนี้มันก็คือลักษณะของมีจำนวนมากหรือจำนวนน้อยใ น, นจำนวนมากหรือจำนวนน้อยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ว่ามันจะขาวกว่าสีดำต่อให้มีพื้นที่ที่มากกว่ามีจำนวนมากกว่าก็ยังดำกว่าสีขาวตรงนี้มันชนะกันตรงหนึ่งแล้วนะว่ายังไงสีขาวก็ขาวกว่านนชนะที่ความขาวอันนี้อย่างหนึง่งนีปริมาณล่ะปริมาณของสีขาวกับสีดา แต่ถ้าสีดำมันมากสีขาวมันน้อยเรื่องปริมาณเร า, เราจะทำยังไงมีเรื่องที่เคยเกิดขึ้นในสมัยพุทธากาลท่านฟังมีพราหมคนหนึ่งเขาชื่อเอกสาดกพราหมเอกษาดกเนี่ขาเป็นคนที่จนนะเป็นคนจนเป็นพรามที่จนหลักมีผ้าสาหรับจะห่มออกไปนอกบ้านเนี่ยแค่ผืนเดียวแบ่งกันใช้ระหว่างภรรยากับตัวตัวเขาเอง ลามีการฟังธรรมะในวิหารเขาก็จะต้องสลับกันไปกับภรรยาเพราะว่าผ้าห่มที่จะหม่มคลุมไปเนี่ยมันไม่มีคือเป็นเครื่องแบบของพราหม์เขาต้องต้องมีการคลุมผ้าลักษณะว่าพัฒน์ผ้าเหมือนกระพระเนี่ยจะต้องห่มจีวรออกไปลักษณะของพราหม์ก็จะมีผ้าห่มของพราหมณ์เขาอยู่พื้นเดียวแต่สามีจะออกไปข้างนอกภรรยาก็ต้องอยู่บ้านเพราะว่าไม่มีผ้าห่มตรงนี้เวลาภรรยาจะออกไปข้างนอกสามีก็ต้องอยู่บ้าน นะสลับกันวันนั้นก็มีการฟังเทศในวัดคุณภรรยากับสามีก็ตกลงกันว่าเอางั้นละกันเธอไปภรรยาไปตอนกลางวันนะส่วนฉันจะไปกลางคืนแล้วก็ให้ผ้าห่มเนี่ยให้ภรรยาไปใช้ตอนกลางวันนะตอนตกเย็นมาถึงเวลากลางคืนตัวเองก็ไปฟังเทศบางทีนี้นะสลับกันจนขนาดนี้ว่างั้นทีนี้พอไปฟังเทศแล้ว นัพราหมเอกาสารดวงนี้มีจิตใจที่เป็นกิศลเกิดขึ้นมาก็เลยมีจิตน้อมไปในการให้ทานในาการให้ที่เป็นกุศลธรรมถูกไหมเวลาที่มีจิตน้อมไปจะให้ทานแล้วเออเราฉันจะให้อะไรเงินทองฉันก็ไม่มีแม่แต่สมบัติอันเดียวที่มีอยู่คือผ้าผืนนี้นั่นเองอย่างคิดว่าจะเอาผ้าผืนเนี้ยถวายพระพระทุทธเจ้าแต่ปรากฏว่าความคิดอีกอันหนึ่งมันคือแบบอ๊ยไม่ได้หรอกถวายแล้วภริยายจะเอาอะไรใส่แล้วต่อไปเราจะออกมาขึ้นนอกยังไง อะไรหลายๆเรื่องหลายๆอย่างผุดขึ้นมาบึ้มบั่มบึ้มบั่มนั่นกะนี่คือลักษณะของจิตที่มีความตะนัีเกิดขึ้นวับนะจิตที่มีศรัทธาจิตที่เต็มไปด้วยการให้มีไหมมีอยู่แต่น้อยแค่ดวงเดียววับเดียวเออแหม่ฉันฟังเทศฉันจิตสงบอล้วฉันจะถวายผพพ้าผืนนี่ละนะถ้าคนมีทรัพย์สินยอย่างอื่นเขาก็อาจจะถวายอย่างอื่นถวายเงินบ้างหรือว่าถวายสิ่งของปจัจจัยษ์ศีลควรแก่สมณะจต บ, บริโภคนะเขาก็คิดไป นั่นคืจิตที่มีศรัทธาทีนี้พอจะทําปรากฏว่าจิตที่มีความตระหนี่มันก็เกิดขึ้นมาขัดขวางนะความตระหนี่นี้ โ, โหมากกว่าด้วยนะเช่นเราสังเกตเห็นบางทีเราจะทําความดีแม้แต่ไอ้จิตที่มันเป็นความชั่วอยู่ข้างในเนี่ยมันผุดขึ้นผุดขึ้นผุดขึ้ น, นในกรณีนี้ของพราหมเอกสาดกเนี่ยก็เป็นลักษณะนั้นจะทําความดีสักอย่างหนึ่งแต่ถวายแค่คิดเรื่องเดียวอย่างเดียวว่า จะถวายผ้านี้กับพระพรทชเ้าแต่อิจตรณีนี่เกิดขึ้นเป็นเรื่องปรราวขึ้นมาเลยว่าไม่ได้หรอกเดี๋ยววิยาจะ อ, าอะไรใช้อ่าแล้วปุ่นนี้เราจะ อ, าอะไรใช้เอสแล้วฉันจะกลับยังไงแล้วผ้าผืนนี้เราได้มาไงหูมันได้มายากนะแล้วการงานอะไรต่างๆาต้องทําต้องซื้อเท่าไหร่กว่าจะได้ผ้าผืนนี้มาหูผ้าผืนนี้เราตัดเย็บมาอย่างนั้นอย่างนี้ความคิดเป็นพันเรื่องเลยที่จะพุดขึ้นมาเพื่อห้ามเขาว่าอย่าให้เลย นี่คือความคิดทางชั่วความคิดทางเลวความคิดในทางอากุศลธรรมเกิดขึ้นละความคิดอกุศลธรรมในกรณีของพระรามเอกษาดกเนี่ยมากทีเดียวนะคือพันต่อหนึ่งมาอย่างนั้นในะสัดส่วนที่เขาเปรียบเทียบไว้ในที่นี้คือจิตที่มีความศรัทธาน้อมไปในการให้แค่ดวงเดียวเรื่องเดียวแต่จิตที่มีความธรณีเป็นอกุศลธรรมหนืดเอาไว้เหนียวเอาไว้ไม่ให้เนี่ย พันดวงพันเรื่องเกิดขึ้นมาพอเวลามีกุศลธรรมในใจเกิดขึ้นปุ๊บไอ้เจ้าอากุศลเกิดมาขัดขวางทันทีจิตก็เลยว่าเออไม่ให้ก็ได้ไม่ให้แลนะ้ฟังเทศไปฟังเทศไปนะมันจิตมันน้อมไปว่าจะให้อีกเกิดขึ้นมาอีกไอ้เจ้าความทันตีมันก็เกิดมาขัดขวางอีกไม่ได้เราเดียวนั่นขึ้นมานี่ขึ้นมาก็ไม่ให้ฟังเทศไปฟังเทศไปแม้มันมันอยากให้อีกมันใจมันน้อมไปในการถวายในการให้ เกิดขึ้นมาอีกไอก้ตระนิ่ก็มาขัดขวางอีกยื้อกันอยู่อย่า ง, งนี้ท่านฟังน่งสี่ชั่วโมงผ่านไปแล้วก็ไม่ได้แปดชั่วโมงผ่านไปก็ยังไม่ให้ให้ไม่ได้นานจนเวลาล่วงไปล่วงไปก็ยื้อกันอยู่อย่างนี้ในจิตที่มีความศรัทธาเกิดขึ้นเนาะไปในการให้เดี๋ยวเดี๋ยวก็ผุดขึ้นมาอีกจิตที่มีความตระนี่ก็เกิดขึ้นมาขัดขวางเยอะกว่าด้วยบวกมากกว่าด้วยในกรณีอย่างนี้ปรากฏว่าพอจนถึงเวลาสุดท้ายอ้าว จะเลิกละฟังธรรมก็จะเลิกกันละเอ้เราเราจะทำยไงปรากฏว่าเจ้าจิตที่มีความศรัท ธ, ธาดวงหนึ่งเนี่ยก็ชนะจิตที่เป็นความตนหีพันดวงได้ชนะได้ยังไงท่านผู้ฟังชนะตรงที่ว่าเราอยู่อย่างกองทหาร น, นี้กองทหารเนี่ยจะแค่หนึ่กองร0อก็มีส่วนร้อยค น, น, นแต่สามารถที่จะควบคุมคนธรรมดาที่ไม่มีอาวุธ ไม่มีความสามารถในการรบเนี่ยได้เป็นพันเป็นหมื่นคนทหารเนี่ยนะหรือคนที่มีความสามารถแย่งผู้คุมในคุกอย่างนี้เป็นต้นผู้คุมในคุกมีปืนมีความสามารถมีเครื่องมือต่างๆนนหนึ่งคนควบคุมนักโทษได้เป็นร้อยๆคนนั่นเพราะว่าความสามารถคืออาวุธบ้างหรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่จะอนุญาตให้เขามีกําลังแค่ถึงแม้จํานวนน้อยกว่าแต่ก็สามารถชนะคนจํานวนมากกว่าได้ ในลักษณะเปรียบเทียบตัวนี้เพื่อให้เห็นว่าจิตที่มีศรัทธาดวงหนึ่งน้อมไปในการให้ของพราหมณ์เอกส า, าดกเนี่ชยชนนะจิตที่มีความตระณีพันดวงได้ด้วยความเข้มแข็งของจิตประเภทนั้นด้วยความหนักแน่นมั่นคงของจิตประเภทนั้นคือมีกําลังมากกว่าดวงหนึ่งก็มีกําลังมากกว่าพันดวงคนคนเดียวมีกําลังมากกว่าคนเป็นร้อยได้แด้วยเครื่องไม้เครื่องมื อ, ห ร, อ, มอหรือความสามารถของบุคคลคนนั้นทหาร นะ่มีความสามารถในการรบมีกําลังรบมากกว่าพลเลเรือนทหารหนึ่งคนสามารถที่จะต่อสู้กับพลเลเรือนได้เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมืน่นะด้วยความสามารถที่เขามีความสามารถตรงนี้ของทหารก็เส่นว่ามีอาวุธแ ล, แ, ลและมีทักษะในการรบสองอย่างนี้แหละเป็นสิ่งที่คนที่มีธรรมะจะต้องมีหมายความว่าไงท่านผูฟังอย่างกรณีของพราหมณ์เอกส า, า, าดกเนี่ยจิตที่มีศรัทธาดวงหนึ่งช น, นะ ไอ้เจ้าความธนณีเป็นพันพันดวงเป็นเรื่องเป็นร่างต่างขึ้นมาได้นั้นเพราะว่าความที่มันมีความเข้มข้นมากกว่านั่นมีกําลังมากกว่าหนึ่งดวงมีกําลังมากกว่าพันดวงและการชนะนั้นก็เป็นการชนะโดยธรรมนั่นคือไม่ได้ใช้สัตว์ตราไม่ได้ใช้อาจยาสัตว์ตราคืออาวุธใช่ไหมอายานี่คือการบังคับขู่เค้นน่นลักษณะนั้ น, นคือคือมีกฎหมายคุณเอากฎหมายมาบังคับเขานี่คือลักษณะของการ อัจฉริยและก็ลงโทษต่างๆลงโทษเช่นการทรมานการบีบบังคับการจับลูกไว้เป็นตัวประกันพวกนี้นั่นคืออาจฉริยทั้งสิน้นประเภทเดียวกันการชนะของจิตที่มีความศรัทธาน้อมไปในการให้ของพราหมณ์นั้นนชนะด้วยกําลังคือธรรมะกําลังคือธรรมะในที่นี้นั่นก็คือกําลังจิตที่มันมากกว่านั่นเองกำลังจิตของศรัทธาการให้แค่อันเดียวซึ่งมีกําลังมากกว่า นะถ้าพูดแล้วคือดวงเดียวแต่ตัวใหญ่กว่าไอ้เจ้าพันดวงที่ตัวเล็กน้อยพวกนั้นกําลังมันก็ไม่มีสู้ไม่ได้นี่คือความชนะโดยเป็นธรรมเพะั้นจิตเราต้องติดอาวุธกันฟังจิตเราต้องมีทักษะในการรบติดอาวุธหมายความว่าไงอย่างที่พระเอกาษาดกก็ติดอาวุธนะอาวุธนั้นก็คือสุตตะนั่นเองรู้ช้าบอกว่าจิตของเราเนี่ยต้องมีสุตตะเป็นอาวุธสุตตะในที่นี้คือการทรงไว้ซึ่งธรรมธรรมะเราใด ที่เป็นการเทศสอนบอกสอนที่บริสุทธิ์บริบูรณ์สื่นเชิงงานะงดงานในเบื้องต้ น, งด ง, น, น ง, งดงานในทถ้ำกลางงดงามในที่สุดแสดงการประกอบการประพฤติพรหมจรรย์แตนะ่ทั้งอัฏฐเพยียญชนะบริสุทธิ์หมดจดแตนะ่ธรรมะลักษณะนี้เราทรงจำไว้ท่องให้ขึ้นใจคล่องปากนะเข้าใจความหมายอย่างถูกต้องลักษณะนี้คือสุตตะคืออาวุธที่เราต้องมีพรามนี่เขามีอาวุธคือเขาฟังธรรมอยู่เรื่อยๆตอนนั้น นะฟังทำไปฟังทำไปอาวุธเขาก็มากขึ้นนะมากขึ้นในจิตดวงเดียวของเขาเนี่ยแหละเรื่องการให้อย่างเดียวนั่นแหละอาวุธมากขึ้นความรู้มากขึ้นเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะอาวุธมากขึ้นนอกจากนี้กําลังนะทักษะในการรบทักษะในการรบนั้นก็คือกองกําลังนั่นเองนะคุณต้องมีกําลังเช่นหน่วยโงเสเบียงมีกําลังคือแนวหน้าอย่างกองทัพเนี่ยเขาจะต้องมีทั้งทหารมา้านะพวกทารปืนใหญ่ มีทหารแนวรบด้านหน้านะผลราบนะมีพวกทหารหน่วยรบพิเศษนะหรือกองส่มกําลังวิทยุสื่อสารต่างๆ่านะเพื่อช่วยเหลือแบ่งกันทําหน้าที่นะนี่คือคกองกําลังที่เขาจะต้องมีกองกําลังหรือว่าทักษะในการรบต่างๆเหล่านี้คือเปรียบเหมือนกับความเปลี่ยนนั่นเองในใจเรานอกจากมีอาวุธแล้วต้องมีผู้ที่ใช้อาวุธนั้นผู้ที่ใช้อาวุธต้องใช้อาวุธเป็นนี่นคือทักษะในการรบทักษะในการรบนั้นก็คือความเปลี่ยนนั่นเองวิริยะ คือกองกําลังตั้งฝังกองกำลังที่จะเอาเจ้าอกุศลธรรมออกไปจากจิตให้มันอ่อนกําลังลงสร้างสั่งสมให้กุศลธรรมมีกําลังขึ้นมาวิริยะคือความเพียรคือกําลังคือการทําจริงแน่วแน่จริงถามว่าคุณที่ทําจริงอยู่เนี่ยคุณจะต่อสู้เพื่ออะไรก็ตามการทําจริงการแน่วแน่จริงตรงนี้นะคือแน่วแน่จริงทําจริงในการที่จะเอาอากุศลธรรมออกแน่วแน่จริงทําจริงในการที่จะเอากุศลธรรมเอาไว้ จิตที่เป็นอกุศลเนี่ยนผะฟังมันโตขึ้นได้ถ้าใจของเราไปจดจ่ออยู่กับมันจิตที่ตรีตรึกสิ่งใดใดมากเนี่ยเราตรีตรึกเรื่องใดใๆมากเนี่ยจิตจะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นเราไปตรีตรึกเรื่องชั่วๆมากนล้วจิตเขาจะน้อมไปในทางชั่วทางบาปอย่างกรณีของพราหมณ์เอกสาดกถ้าเขาไปคิดแต่เรื่องที่จะไม่ให้มากๆคือใจเขาจน้อมไปในทางนั้นเป็นการให้กําลัง เป็นการให้กำลังกับความชั่วเป็นการให้กำลังกับสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นในใจของเขาแต่ถ้าเขามาตรึตรกพิจารณาใคร้ควรในเรื่องที่ดีๆมากอันเดียวนั่นแหล ะ, ละจิตก็จะน้อมไปในทางกุศลธรรมน้อมไปในทางดีนั่คือการให้กำลังคือการสร้างสมกำลังในะทักษะในการรบนะในใจของเขาอยู่ที่ว่าเราจะเอาจิตของเราเนี่ยไปจดจ่ออยู่ตรงไหน แต่ถ้าเราจิตของเรามาจดจ่ออยู่กับเรื่องที่เป็นอกุศลธรรมน่นะอยู่บ่อยๆ อ, อยู่มากอยู่เรื่อยอกุศลธรรมก็โตการทํานี้คือเป็นมิจฉาวายะมะนั่นะคือเอาคุณเพิ่มกําลังให้ความชั่วแหละทีนี้แลนะนอกจากมันมีจํานวนมากแล้วทักษะในการรบมันยังดีด้วยโอ้อันตรายมากแต่ถ้าเผื่อว่าเราเอาจิตของเรามาจดจ่ออยู่กับเรื่องดีเรื่องเดียวก็พอชนะได้เหมือนกันอาวุธเราสั่งสมไม้นะั่นคือทรงสุตตาสั่งสมสุตตา นะทักษะในการรบกองกาลังความสามารถเราก็สั่งสมไว้นั่นะคือเอาจิตมาจดจ่อยอยู่กับตรงนี้จิตที่มีความศรัทธาแม้อันเดียวนั่นแหละชนะจิตที่มีความตรรณีเป็นพันดวงได้นะเช่นเดียวกันความดีแม้น้อยชนะความชั่วดาำกันพระเจ้าสิดูรูปเดียวนะรูปเดียวองค์เดียวนะสามารถที่จะเอาชนะความชั่วต่างๆ ต, ตั้งแต่ชนะมารชนะนคนที่มาใส่ร้ายชนะ ชนองค์กุลีมานเพราะชนะหลายอย่างแตนะ่แค่รูปเดียวคนเดียวแต่แต่ว่าความส า, านาญมากใจมีกําลังสูงซึ่งไอาการชนะตรงเนี้ยท่านผู้ฟังไม่ใช่ด้วยชนะด้วยศาสตราไม่ใช่ชนะด้วยอาทยาคือถ้ามีการใช้ศาสตราหคืออาวุธมีการใช้อาทยาคือการบังคับกู่เข็นลักษณะของอากูสัลธรรมเนี่ยนั่นคือการชนะด้วยอาธรรมชนะด้วยอาสัตธรรมอาสัตธรรมมันไม่ดี ชนะอย่างสมุดแล้วเรายกทัพไปตีเขานั้นได้บ้านเมืองเข้ามาชนะแล้วมันชนะด้วยอาธรรมมันไม่ถูกแต่การชนะที่ได้มาโดยธรรมนั่นคือชนะโดยธรรมเนี่มันไม่ต้องใช้ศัตรามันไม่ต้องใช้อาถยานั่นคือไม่ต้องใช้การลงโทษบังคับขู่เข็นจะเป็นตัวประกันไม่ต้องไม่ต้องใช้อาวุธไม่ต้องมีอาวุธในการต่อสู้แต่ใช้ธรรมะเป็นเครื่องมือในการต่อสู้ เป็นจักรคือทำอันประเสริฐนะใช้ความดีเอาชนะความชั่วเพอว่าชนะนี่ก็เหมือนกันต้องเข้าใจความให้ถูกนะชนะไม่ใช่ว่ามีอิทธิพลเหนือนะแต่ชนะกันด้วยความดีในสมมติว่าเรายังไม่ได้มีคนดีมากกว่าคนชั่วอย่างนี้เปน็นตะ้นแล้วมันก็ชนะอยู่แล้วฉะนัะด้วยความที่มันขาวขวาอยู่แล้วแล้ด้วยความขาวโดวยความดีเฮ้ยฆ่าสัตว์กับไม่ฆ่าสัตว์เอ้ามไม่ฆ่าสัตว์มีจิตเมตตานี่ ยังไงมันก็ดีกว่าคนที่ฆ่าสัตว์หรืคนที่เบียดเบียนคนอื่นแต่ต่อให้มีคนเดียวก็ยังดีกว่าในเรื่องของธรรมะตรงนี้ไม่ใช่ว่าจะไปมีอิทธิพลเหนือแ ต, แต่การมีอิทธิพลเหนือด้วยธรรมะนั่นคือรูปแบบที่คุณเห็นว่าเออมันชนะด้วยธรรมแต่ถึงแม้เราจะไม่ได้มีอิทธิพลเหนือแต่ความขาวความดีความบริสุทธิ์มันก็ดีกว่าอยู่แล้วแต่มันชนะตรงนี้ในเป็นขั้นรแรกแต่ซึ่งถ้าผมว่าเรามีความขาว ความดีสิ่งที่เป็นกุศลสิ่งที่เป็นธรรมะมากขึ้นเนี่ยกําลังก็จะค่อยมาขึ้นนะคือถ้าใจที่เป็นธรรมะของเราเนี่ยทำสิ่งที่เป็นอธรรมเกิดขึ้นทําสิ่งที่ไม่ดีไอ้ความขวาวความบริสุทธิ์การชนะด้วยธรรมมันก็จะค่อยลดลงลดลงอันนี้ต้องระวังแต่ถึงแม้ว่าอาจจะมีสิ่งที่ไม่ดีบ้างอย่างเช่นสีเทาอย่างนี้เป็นต้นนะสีเทาที่ค่อยมาทางขาวมันยังขาวกวับสีดําแน่นอนแต่มันอาจจะใช้ในการล้างทําความสะอาดได้นาะยตัวอย่างเช่นว่า ตอนที่ช่วงที่น้ำท่วมที่ผ่านมาอย่างนี้สองสมปี2ปีที่ผ่านมาบ้านสกปรกละเถอะนะคุณก็ต้องเอาน้ําล้างถูกไหมแต่น้ําที่ล้างนี่ก็ไม่ใช่ว่าเอาน้ําสะอาดขนาดเอาน้ําดื่มมาล้างเอาน้ําดื่มใส่ขวดฉีดล้างฉีดล้างก็ไม่ขนาดนั้นน้ําดื่มมันสะอาดมันไว้สำหรับดื่มกินแต่เอาน้ําคลองอย่างนี้ก็ได้นะมาแกว่งสารส้มแล้วเอาน้ําด้านบนเนี่ยมาล้างมันก็ไม่ถึงกระใสปิงก็ไม่ถึงสะอาดขนาดน้ําประปาแต่ว่าเอามาล้างทําความสะอาดพวกนี้ได้ แต่ทำความสะอาดได้อยู่บางทีการชนะของเราอาจจะไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์แต่เหมือนการชนะโดยธรรมะแต่ว่าไอ้ความที่อย่างน้อยมันสะอาดกว่ามันล้างสิ่งสกปรกได้สิ่งสะอาดกว่าเนี่ยจำนฝังล้างสิ่งสกปรกได้แต่าอาจจะไม่ใช่สะอาดที่สุดขนาดผ้าขาวเป๊ะเอาน้ํากินมาล้างเจ้าคราบโชกโรกที่เกิดจากการน้ําท่วมตรงนั้นก็ไม่ขนาดนั้นแต่อย่างน้อยมันก็รู้จักว่าเอาน้ํามาใช้ทําอะไรบ้างแต่นี้คืออยู่ในข่ายของลักษณะทักษะการรบ นั่นที่ว่าบางทีเราก็ต้องเลือกให้ถูกงานด้วยพูดถึงการชนะตรงนี้คือคนที่รบนนั้ด้วยธรรมะเนี่ยเชื่อว่าเป็นคนที่มีความก ล, กล้าก ล, กล้ามีกําลังใจนนในการที่จะไม่ทําความชั่วนั่นนี่คือความกล้าของจิตที่เกิดขึ้นนะคือความกล้านี่ไม่ใช่ว่าแบบบ้าบินสู้บึมบึมเข้าไปนะฉันดาเธอเอา้าวด่านี่มันก็เป็นอาถรรมล์ละเริ่มใช้อาจยาละฉันจะมาทําความดีฉันจะมาสู้กับเธอ นะสู้กันรบกันเอาอาธรรมขึ้นมาใช้ชันะ้นสู้ใน น, นาความดีแต่ด่ากันอย่างนี้เอาด่ากันมันก็เป็นไม่ใช่ความดีแล้วนะการสู้ของเราการรบของเราเนี่ยจะไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์แต่ก็ไม่ใช่ถึงกระนั้ว่ามันจะชนะไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ที่ว่าสีเทาหรือว่าสีดําหรือว่าสีขาวอย่างที่เปรียบเทียบไปฝั่งนะมีอาธรรมมากขึ้นมากขึ้นเราก็จะไปใกล้เขาใกล้เขามากขึ้นโอกาสชนะก็จะยากขึ้นยากขึ้นนี้ต้องระวังว่าถ้าคุณกําลังต่อสู้ด้วยความดี ใช้ความดีทําความดีสิถ้าเราทําความไม่ดีเราก็ไปใกล้เขาใกล้เขามากขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสชนะก็อาจจะมีได้แต่กําลังมันจะน้อยลงแต่กำลังคือความดีความขาวของเรามันน้อยลงแต่ต้องการจะยกเตียงเปรียบเทียบ ว, ว่าคนที่จะต่อสู้รบเนี่ยอา้าวจิตใจมีความห้าวหาญถือเคิร์มแล้วแต่ไม่ใช่ว่ากล้าบ้าบินอย่างนั้นคนที่จะลุกขึ้นต่อสู้ด้วยธรรมะเนี่ยใจเขากลัวบาปอยู่แล้วัคือเราควรจะมีความกลัวต่อบาป กลัวบาปหิริโอตปาความกลัวความละอายต่อบาปอันนี้เราต้องมีกลัวละอายต่อบาปจึงไม่ทําบาปจึงไม่ทําความชั่วความที่เราแกล้าในการลุกขึ้นมาที่จะทําความถี่ลุกขึ้นมาในการที่จะไม่ทําความชั่วในความแกล้าตรงเนี้เนี่ยคือความแกล้งออกรบได้แต่ไม่ใช่ว่าบึมบึมบึมขึ้นไปแล้วก็จนเผลอเลยอาตัวเองทําความชั่วเองไอ้ความประมาทตรงเนี้ต้องระวังเพราะความประมาทเป็นความชั่วเป็นความชั่วแสดงว่า มันจะทําความกล้าของคุณให้มันลดลงไปมันจะทําโอกาสชนะของเราให้ลดลงไปแต่พอมีความชั่วคือประมาทตรงนี้เกิดขึ้นอ่าแสดงว่าไอ้ความกล้านั้นเป็นบ้าบินขึ้นมาละแต่เราต้องมีความกล้าในการที่จะไม่ทําความชั่วกล้าในการที่จะยืนหยัดตั้งมั่นอยู่ในความดียกตัวอย่างเช่นคนกลัวเสืออย่างงี้กลัวสัตว์ป่ากลัวเสือกลัวที่มันจะดุร้ายทําร้ายเราใช่ไหมกลัวเราก็เลยไม่เข้าไปหามัน นี้เราบอกว่าฉันแสดงความกล้ามาฉันจะเข้าไปหาเสือจะเข้าไปเล่นกับเสือแต่ถ้าบอว่าคุณไม่มีความรู้ในการที่จะเข้าไปฉันกล้าและทําความกล้าขึ้นในจิตเดินบุมบ่มๆุ่มก็ไปเอาก้าถู่วมันกินแค่นั้นเองอันนี้คือประมาทแต่ความประมาทเป็นอากุศลธรรมไม่ดีนั้นไม่ใช่เรียกว่ากล้าแต่กล้ากล้าด้วยโมหะไม่ใช่กล้าด้วยปัญญาแต่ถ้าเป็นนักสัตวพิทยาวันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาใช้คําพูดนี้ถูกหรือเปล่าแต่ผู้ที่มีความคุ้นเคยกับสรรัต์ รู้พฤติกรรมของมันมีอุปกรณ์หรือความรู้นในการที่จะเกี่ยวเนื่องด้วยสัตว์ประเภทนี้แล้วนะก็สามารถเข้าไปหาเล่นกับมันนะหรือว่าทำความคุ้นเคยได้ตามกระบวนการที่เขาเรียนมาศึกษาอ่ะอันนี้คือมีปัญญานะกล้าแบบมีปัญญาไม่ใช่กล้าแบบมีโมหะอยู่ที่ว่าเราเข้าไปเนี่ยเราทำอะไรนะคุณมีความกล้าในการที่จะตั้งไว้นะซึ่งความเพียรหรือเปล่าซึ่งกรณีของนักสัตววิทยาที่เขาเข้าไปเนี่ย ความกล้าของเขาตรงนี้ด้วยปัญญาตรงนี้ปัญญาคืออาวุธของเขาในสิ่นงนั่นคือเขามีความรู้ในการที่จะไปเกี่ยวเนื่องด้วยสัตว์ประเภทนี้นั่นก็คือเรื่องของอาวุธที่เขามีแต่ถ้าเราจะสู้รบกับใครก็ตามใช้อาวุธคือธรรมะใช้อาวุธคือปัญญาแต่เราต้องสู้แต่สู้ต้องใช้ปัญญาด้วยฉลาดหน่อยถ้าบุมบํากล้าบ้าบินเข้าไปอย่างเดียวนั่นก็ลักษณะของกล้าอย่างมีโมหะแต่เราต้องกล้าอย่างมีปัญญานั่นคือให้สัตธรรมเนี่ยมีอยู่ในใจของเราตลอด อย่าให้เจ้าความประมาทมันเกิดขึ้นมาได้อย่าให้เราทำความดีในนามความชั่วให้เราใช้ความดีของเราอย่างดีที่สุดแต่สร้างสมความดีทำความดีขึ้นมากระบวนการมันค่อยเป็นไปรูปแบบของความชนะจะค่อยเกิดขึ้นอย่างกรณีของพระสงฆ์นี้ก็เหมือนกันแต่ถ้าจะมีเรื่องราวที่จะต้องมาประชุมปรึกษาระ ง, งับอธิการการมีเรื่องราวเกิดขึ้นอย่างเงี้ยแล้วบอกวมีจำนวนพระที่ไม่ดีมากกว่าเนี่ยจนวนพระที่ดีก็ต้องเงียบเนะี่ยพูดอะไรไม่ได้ แต่ถามว่าพวกนั้นเขาดีกว่าไหมพวกที่เงียบเงียบน้อยๆเนี่ยก็ดีกว่าอยู่ดีนชนะในลักษณะหนึ่งคือเรื่องของความขาวแต่ถ้าว่าจํานวนพระที่ดีมากกว่าสามารถที่จะจัดการแก้ไขระงับอธิกรณ์ต่างๆได้เตือนพวกพระที่ไม่ดีให้ทําดีพระไม่ดีหยุดเตือนแล้วสองรอบสมรอบเตือนกันไม่รู้เรื่องก็ต้องไล่ออกไปแต่ซึ่งกระบวนการนี้ก็เป็นไปโดยธรรมแต่ต้องมีพวกมากกว่านะพวกคนดีเนี่ยต้องมากกว่า ถึงจะทําอะไรรูปแบบการชนะมันจะชัดเจนขึ้นมาได้แต่ถ้าคนดีน้อยกว่าวก็ชนะอยู่ดีเพราะว่าความดีมันดีกว่าไม่ดีตัวอย่างที่เราเห็นชัดในสมัยพุทธกาลก็เรื่องของภิกษุชาวโกสลปีอย่างนี้เป็นตน้นโอ้เป็นมูเป็น ม, เนมูเป็นพวกแบ่งกันจะถกเถียงกันแบ่งเป็นพวกกันจะทําให้สงแตกกันตอนนั้นพระุทธเจ้าก็มีรูปเดียวที่บอ ก, hey, ก, กให้สามัคคีกันให้สามัคคีกันแต่คือสามัคคีที่พพุทธเจ้าหมายถึงเนี่ยไม่ใช่ว่าสามัคคีกับคนชั่วนะ คือถ้าเรามีคนชั่วเป็นเพื่อนนี่มันยิ่งแยกกว่ามีคนดีเป็นศัตรูนะแต่ให้สามัคคีกันเนี่ยก็คือเอาความชั่วออกจากใจแล้วเปลี่ยนใจของตนให้เป็นใจที่ดีใจที่ดียังไงมันเข้ากันได้เหมือนน้ำนมกับน้ํามันเข้ากันได้แต่ถ้าใช้ที่ชั่วสองฝ่ายหรือดีฝ่ายหนึ่งกับชั่วฝ่ายหนึ่งมันเข้ากันไม่ได้หรอกเพราะนั้นพุทธเจ้าตอนนั้นทำยังไงแต่ถ้าพูดถึงคุณธรรมแน่นอนมันชนะอยู่แล้วตอนนั้นก็ต้องหลีกไปไปใช้ภาษาที่อื่น พอจำภาษาที่อื่นผ่านใบภาษาหนึ่งรูปแบบของความชนะก็ปรากฏขึ้นมาให้เห็น น, นคือพวกนั้นก็ถอนทิฏฐิความชั่วออกจากตนเปลี่ยนเป็นสัมมาทิฏฐิแสามัคคีกันรูปแบบความชนะมันก็ปรากฏขึ้นมาแต่เราต้องชนะเล็กๆตรงนี้ก่อนชนะในจิตของเราก่อนชนะในการกระทําของเราก่อนชนะทั้งทางวาจาทางใจของเราก่อนรูปแบบความชนะมันจะเกิดขึ้นได้ด้วยธรรมะนั่นเองธรรมะย่อมชนะอาธรรมท่านผฟัง ให้ท่องไว้เลยให้มั่นใจไว้เลยลเราอย่าประมาทเท่านั้นเองไ อ, ตอ้ตอนต่อสู้ของเรามีความกล้าความเห่าหานความพึกเฮิรมอย่าให้ความประมาทมันเข้ามาแทรกต้องระวังเวลาเราสู้รบกับความชั่วใจเราต้องตั้งมั่นในความดีจดจ่อไว้และจิตเราเระลึกถึงเรื่องใดจะน้อมไปในทางนั้นๆนั้นเราให้ตั้งใจไว้ด้วยความดีสู้ด้วยความดีชนะแน่นอนรูปแบบของการชนะจะค่อยปรากฏขึ้นค่อยปรากฏขึ้น เราชนะในใจของเราก่อนชนะต่อความชั่วที่เกิดขึ้นในใจของเราก่อนถ้าคนหนึ่งเขาทาความชั่วแหมเราเห็นแล้วมันจี๊ดมันไม่ดีมันมีความทุกข์ไอเราชนะตรงนั้นก่อนชนะใจที่มันไม่พอใจชนะใจที่มันมีความโกรธความเครียดแค้นความบ้าบินเอาชนะใจตรงนั้นของเราให้ได้ก่อนชนะได้แล้วเรามีธรรมะอยู่ในใจแล้วไอธรรมะที่อยู่ในใจของเราเนี่ยจะค่อยออกมาออกมาออกม า, อามาเป็นการกระทํา ออกมาเป็นคําพูดที่ประกอบด้วยธรรมรูปแบบของความชนะจะค่อยปรากฏขึ้นมาได้การชนะของเราจะไม่ต้องมีด้วยอาทยาจะไม่ต้องเนื่องด้วยศาสตราเป็นชัยชนะที่บริสุทธิ์บริบูรณ์สมบูรณ์จริงๆและเวลาที่เราต่อสู้อย่างนี้ท่านฟังมันมีเกียรติยศเกียรติยศที่เกิดขึ้นอย่างบุริจาคอย่างเงี้ยบอกว่าพระองค์เป็นผู้ที่มีเกียรติยศในเกียรติยศของพระองค์ก็คือมีศีลมีสมาธิมีปัญญา นอนตายได้อย่างมีความห้าวหาญมีความสบายใจน้ำพระเจ้าบอกว่าพระองค์นีปฏิญิพานอย่างลืมตาด้วยเกียรติยศที่พระองค์มีปฏิญิพานอย่างลืมตาหมือนกับว่าเป็ น, นํานวนของภาษาบาลีนะภาษาไทยก็จะบอกนอนตายตาหลับ bt. ก็จะเป็นลักษณะว่าเราตายได้อย่างมีเกียรติจะตายเหรอให้กิเลสมันตายสิให้กิเลสมันตายไปให้ความชั่วในใจของเราตายไปให้ความชั่วในใจของคนทั้งหลายตายลงไปและถ้าเราจะตายเราตายอย่างมีเกียรติอย่างนั้นถ้า ร่างกายของเราสูญสิ้นไปแนะใจชื่อเสียงเกียรติยศด้วยความที่มีสีมีปัญญามีธรรมะในใจของเรายังจะารึกอยู่การตายตรงนั้นจะไม่สูญเปล่าทีเดียวนะให้เราสู้ด้วยธรรมะสู้ด้วยใจที่เข้มแข็งห้าวหาญมีความกล้าสู้ด้วยปัญญาต้องมีอาวุธมีปัญญาเป็นอาวุธมีกองกําลังทักษะในการรบคือความห้าวหาญคือการทําจริงแน่วแน่จริงนะตั้งมันในอุดมการดูมาัง รวมการในที่นี้คือธรรมะนั่นเองให้ใจเรามีความตั้งมั่นอยู่ในความดีในให้เห็นความดีเป็นเรื่องที่จะเป็นอาวุธในการที่เราจะใช้ต่อสู้กับความชั่วความชั่วยังไงมันไม่มีทางชนะรูปแบบมันจะค่อยปรากฏขึ้นหนให้เรามั่นใจมีความสบายใจไม่มีใครทําำฟังไม่มีใครไม่มีใครที่จะโต้อตอบกับผู้ที่มีธรรมะคุ้มครองได้เลยอันนี้เป็นกาถาช่วงหนึ่งที่บุรุษเจ้าตรัสเอาไว้แต่สอนพิสูจน์ทั้งหลายไม่มีใครจะโต้อตอบ กับผู้ที่มีธรรมะคุ้มครองได้เลยให้เราสู้ด้วยธรรมะท่านฟังเรามีชัยชนะแน่นอนธรรมะย่อมชนะอาธรรมด้วยเหนุผล